พระธรรมเทศนาลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าศีลและวินัยคือตัวแทนตถาคตในพระวินยัยท่านว่าไงภิกษุเอาเตียงตั้งฟูกเก้าอี้ไปตั้งในที่แจ้งแล้วเมื่อหลีกไปไม่เก็บเข้าที่เดิมปรับอบัดปาจิตตีนี่แหละอย่างนี้ ในเมื่อใช้แล้วเราก็ต้องเก็บเข้ามาไปจําที่เก็บไว้ที่เดิมมันล้นแล้วแต่เป็นวิในของสงฆ์ทั้งหมดพิกษุตไปพักในกุฏิสงฆ์แล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั่นใบมอบหมายไม่มอบหมา ย, มมมายก็ดีเดินไปถือ ว, ว่าไม่ได้มอบหมายให้แกลใครไปปรับอวบัดปลาจิตตี คือขาดศีล2องยยีของพระ227ของพรานคืออะไรเนะี่ยล่ะคือกิริยาหรือมรรยาทือความเรียบร้อยเนะี่ยอันนั้นแหะคือศีลของพระหลวงตาท่านไปพักหลวงพ่อยังไปเห็นท่านไปพักที่อำเภอด่านทรายพอเสร็จแล้วตอนเช้ามาก่อนที่ท่านจะออกจากศาลาท่านจะกลับบ้านตาท่านเออเอาไปด้วยช่วยดูนะกุติของเราที่พักเมื่อคืนเนี่ย เก็บให้เรียบร้อยนะจัดการให้เรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยให้เราด้วยนะจุดไหนที่มันไม่เรียบร้อยอันนี้คลายๆกับว่าเราไปพักที่ใดก่อนที่เอาจะออกมาเราต้องมอบมอบหมายเสนาสนะมอบหมายที่พักสงให้แก่เจ้าอาวาสหรือพระในวัดนั้นให้ช่วยกันดูแลจุดไหนที่มันขาดตกบกพร่องด้วยลืมเราออกมาแล้วลืมบนเตียงตั้งเก้าอี้ของสง ไปออกไปในที่แจ้งแล้วไม่เก็บมาให้พวกท่านเก็บชะนะมอบมอบของมอบเสนาสนะคืนนะเราไม่เราไม่ได้ใช้แล้วให้องค์อื่นใช้ต่อไปนะลักษณะอย่างนั้นนี่นคือพระวีนันเพราะนั้นของสงของใช้ต่างๆจะเป็นกระมงเป็นกระมงังสักผ้าก็ตามเมื่อเราใช้แล้วเราต้องเก็บไว้ที่เก่า พวกเสียมมีดผ้าอะไรก็ตามเมื่อเรานำมาใช้แล้วเก็บไปไว้ที่เก่าให้เคารพของสงมันไม่ใช่ของบุคคลของสงสงก็คือของกลางคือของหลวงแต่ทุกวันนี้ดูๆแล้วถ้าใช้ของกาเนี่ยใช้แบบบัญยญับรรยังนะไม่ใช่ใช้แบบไม่บรญยะบรรยังใช้แบบอุลยชุยแฉกถ้าเห็นถ้าเป็นมีดเป็นผ้าเป็นจอบก็ตามถ้าเป็นของหลวงแลเป็นของกลางเป็นของวัด เห็นหินเท่าไหร่ฟันไปแถวนะั้นเออจนคมคมมันไม่มีคมนล้วแหละท่านแล้วก็มาตามําหนิโอมีดวัดมันเป็นอย่างงี้แหละไอ้คนที่ใช้มีดวัดนั่นน่ะมันเซอร์เออมันไม่มีคุณธรรมในใจแตามีคุณธรรมในใจมันไม่คมแล้วก็ม็อบฝนสิฝนถ้ามันคมเอทุกคนต้องดูแลรักษาเพราะว่าเป็นของกลาง เสดาชนะสงเ น, นี่แหละอันนี้คือพระวินัยต้องเคารพของสงยิ่งกว่าของตัวเองของบริขารตัวเองเนี่ยยังเคารพของกลางมากกว่าเพราะพระพุทธเจ้าให้นั่นท่านสอนครูบาอาจารย์ท่านสอ น, าา น, น, สอนให้เคารพของสงมากกว่าของตัวเองของตัวเองของตัวเองก็คือของใช้ส่วนตัวเนะี่ยอย่างอีกเป็นส่วนหนึ่ง แต่ของกลางของสงนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เขาบริจาคมาเพื่อใช้เป็นส่วนรวมเมื่อเรานำมาใช้แล้วต้องเก็บให้เป็นที่เป็นทางต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนี่แหละสมัยหลวงพ่อเป็นเนนสมัยนั้นคือบริขารโดวยว่าของใช้มันหายากกว่าจะได้จอบตัวหนึ่งมาใช้เนโอ้ ต้องลงทุนต้องหาเงินมาซื้อเวลาใช้เสร็จแล้วต้องเอามาล้างน้ำซะก่อนแล้วค่อยเก็บเป็นที่ใครต้องการเอาไปใช้ไปใช้ให้โยมไปใช้พอใช้กลับมาแล้วเอามาล้างน้ำเก็บเป็นที่เสียมก็ตามมีดก็ตามจอบก็ตามพอมาอยู่บ้านตากหลวงพ่อก็ทำอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะหลวงตากสอนอีกเหมือนกัน พอพระอย่างน้อยพระสิบห้าสิบหองใครจะเอาอะไรไปใช้ก็ดูกันได้พอต่อมาพระมากถึงเนี่อโอ้ขุมไม่อยู่อีกเหมือนกันบางทีค้อนที่ตะปูนู่นไปอยู่กุฏิเวลาจะใช้หากันก็ไม่เจอเน็กองค์ที่เอาไปใช้เอาไปไว้ที่กุฏิก็ะช่ยไม่บอกหมู่ได้ถ้าหมูถ้าบอกว่าผมเอาไปไว้ที่กุฏิผมยังไม่ได้เอามาส่งเดี๋ยวหมูเขาจะด่าน กระเช้ยทำท่าไม่รู้ไม่ชี้ผลในสู่ขนุนหมูโจดขานกันพอแรงเนยะยังคอยลับแลบมาวางวาปั๊บแป๊บกระโดดนี้กลัวมหมูจะว่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลยปลยไม่โกหกหรอกแต่ใช้กุสโลโบายใช้เล่เหลี่ยมนนะเหมือนกันลักษณะอย่างนั้นนะพระ <c oughs> สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเคยเจอเคยพบมาหมดแล้ว วัของใช้ในวัดของเราเนี่ยหลวงพ่อขี้เกียจพูดทั่วนเนี่ยพอมันดูดูแล้วมันกดระเบียบเละเทอะไปหมดเกี่ยวกับของใช้บางทีขอนที่ตะปูสั่งมาเป็นโลโลไม่รู้หายไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ชาวบ้านเอาไปก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปก็ไม่รู้ในพระก็ไม่ได้เก็บไม่ได้สนใจแต่ตามไม่จริงใครเอาไปก็ไปแต่ของสูงศะ มันเป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นแหละของเอามาใช้ในวัดเหมือนขโมยของหลวงอย่างนั้นน่ะของหลวงน่ะตกน้ําไม่หลตกไฟไม่ไหม้ไปที่ไหนก็คือของหลวงอันนี้ก็คือเหมือนกันน่ะอันนี้ของวัดของวัดคือของพระศาสนาเป็นของพระพุทธเจ้าใครจะนําไปใช้ที่ไหนใครไปขโมยไปที่ไหนก็คือของวัดไม่เป็นมงคลทั้งนั้นแหละเป็นบาปเป็นกรรมอีกต่างหากขโมยของวัด พราะนั้นของวัดของสง์ของกลางต้องเก็บไว้ให้ดีภิกษุนำเตียงต่างฟูกเก้าอี้ของสงไปตั้งในที่แจงแล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั่นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้คืนเอบเก็บก็ดีให้ไว้ที่เดิมต้องปาจิตติอันนั้นแหละคือสินสินวินัยของพระสงฆ์ ให้พวกเราอ่านดูถ้าพระไม่มีศีลนั่นเป็นยังไงพระไม่มีศีลกัจะทําังไงเหมือนกับฆรวาสฆรวาสก็ไม่มีศีลเหมือนกันเรียกว่าเขาเคารพพระเลยคือพระเป็นผู้มีศีลเนื้อกว่าเขามีศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดมีอะไรบ้างได้ศึกษาไหมพวกท่านทั้งหลายได้ศึกษาไหมได้ดูไหมกฎระเบียบของพระ นี่แหะผู้เราทุกองนะต้องฝ่ายพระท่านโยมก็เหมือนกันน่ะผูกเกี่ยวข้องสิ่งไหนที่จะเป็นความไม่ถูกต้องในวัดวาศาสนาจะไปใช้อะไรในวัดก็ต้องดูต้องทำความสะอาดขนาดพระสงฆ์ท่านก็นยังให้ช่วยทำความสะอาดพวกเราเป็นญาติเป็นโยมเข้ามาก็ต้องใช้ต้องดูดูแลความสะอาดเหมือนกันน่ะ พระสง์ของพระสงฆ์ของพระพุทธศาสนาภิกษุจะเข้าห้องน้ำํำจะเข้ายัางไงโอ้มีวินัยถึงเยอะแยะเลยต้องถอดรองเท้าต้องก่อนขึ้นไปยังไงใช่ยังไงสมัยก่อนเป็นส้วมห้องห้องน้ําปล่อยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ส้วมซึมอย่างทุกวันนี้เขาทําเป็นห้างขึ้นมาช่วงสู ง, สงแล้วก็ขุดหลุมลงไปข้างล่าง แล้วก็นั่นแหะขึ้นไปแล้วก็ถ่ายหนักถ่ายเบาแล้วก็ลงมาแต่ถึงยังไงก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดวินัยเกี่ยวกับห้องน้ําเวชวั ด, วดในพระวินัยของเวจชวัดคือเวชคือห้องน้ําห้องส้วมคือฐานกระถะคนโบราณเขาว่าฐานนะภาษาอีสานเขาว่าฐา น, าาา ข, าาฐานขึ้นเข้าไปฐานแล้วก็ท่ากุฏิหน่าเสนาสนวัต ถ้าว่าเกี่ยวกับญาติโยมมาพระม า, าว่าอาคารทุกกวัดวัดเกี่ยวกับอาคารทุกะที่เขามาพักพ้าอาศัยปฏิบัติอย่างไรต่ออาคารทุกะอาจาริยวัดข้อวัดเกี่ยวกับอาจารย์ปฏิบัติตนอย่างไรเกี่ยวกับอาจารย์อุปชายวัดวัดเกี่ยวกับพระอุปชา เราเห็นพระอุปชามาเราควรปฏิบัติตนอย่างไรพระอุปชาทีนี้อาจารย์ลิยวัตรปฏิบัติยังไงกับลูกศิษย์แต่ว่าชัดทิงไปหาลิกวัตรวัดปฏิบัติยังไงกับลูกศิษย์สั่งสอนแนะนํ า, า, าอย่างไรงนแนะนำอย่างไ ร, นนองไรบอกกล่าวอย่างไงอุปชากเ็เหมือนกันเหมือนกันเถอดอันเทวศิกวัตรวัดเกี่ยวกับลูกศิษย์พระอุปชานะ มีหมดในพระวินัยวัดขันธวัดอะไรวัดสิบสี่เนี่แหละอยู่ในวินัยมุกเลี่มสองพวกท่านทั้งหลายไปศึกษาดูอันนี้คือพระวินยัยศีลและวินยัยศีลและวินัยกฎระเบียบของพระสงฆ์ยังมีอยู่กฎระเบียบพระสงฆ์ยังมีอยู่ศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใด ศาสนาของตถาคตยังอยู่ตราบนั้นในพระธรรมท่านบอกอย่างนั้นถ้าพระยังอยู่ในศีลมั่นในศีลมั่นในศีนลวินยัยพระพุทธศาสนาก็ยังคู่อยู่กับโลกแต่พระไม่รักษาศีล ไ, ไม่รักษาวินัยซะในวันนี้ไม่ว่าศีลพระพุทธศาสนาก็หมดอ้าวหมดได้ยังไงก็หมดนะักพระไม่มี ไม่มียูนิฟอร์มใช่ไหมพระนุ่งกางเกงหมดแล้วใครจะไปรู้ว่ามีเป็นพระแล้วไม่เป็นพระนะผลที่สุดก็เลือนลางไปหมดเลยนะเพราะว่าไม่มีเครื่องหมายไม่มียูนิฟอร์มพระไม่อยู่ในศีลยูนิฟอร์มนั่นคือพระวินยนะัยศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้น น, ะนี่แหละให้พวกเรารักษาเรื่องวินยัยอย่าไปปล่อยปละละเลยของเล็กๆน้อยๆนะ่ย ในช่วยกันดูไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใดเป็นหน้าที่ของสงฆ์สงฆ์ก็คือใครก็คือพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละใช้ร่วมกันอันนั้นไม่ใช่ผู้รักษาวินัยวินัยคือกดระเบียบกดระเบียบก็คือศีลของพระศีลของพระก็คืออะไรคือวินัยนั่นแหละอันนั้นเรื่องธรรมอีกต่างหากนะอันนี้พูดเรื่องวินัยวันนี้วินัยเรื่องพูดเรื่องวินัยคือการเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันหลายหลายองค์ ต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องมีวินัยอันนั้นเรื่องทำทำะละเอียดกว่าทำเลยคือถึงพูดถึงใจใจเราคิดเรื่องอะไรแต่ละวันคิดดีและคิดชั่วคิดไปในทางไหนมันปูงฟูงไปเพราะอะไรมันได้อะไรที่มันปูงไปนั้นมันเกิดประโยชน์อะไรแล้วเขาเราเราเข้ามาเพื่อฝึกอย่างบังคับ ให้ไม่อยู่ในกรอบเหมือนกับมา้าหรือวัวควายตัวไหนก็ตามมันพยศเนปล่อยปล่าละเลยมันก็เท่านั้นน่ะถ้าจับม้าตัวนั้นมาตัวพยศออามาใช้งานใช้งานนี่เป็นการเป็นงานม้าตัวนั้นก็มีคุณค่าเป็น ท, ที่รักเคารพของคนนี่ก็เหมือนกันใจของเราถ้าปล่อยปล่าละเลยมันได้อะไรมิจะเสียหายทั้งั้นปล่อยตามกิเลสทําบังคับให้อยู่กับที่ ถ้ามันสงบบังคับเขาว่าบังคับคืออะไรเหมือนกระลิงถ้ามันกระโดดโลดเต้นมากๆเนี่ยก็ใช้โซ่เอาคอโซ่ใช่มันก็แส้หดหรือขู่มันไว้เนี่ยมันก็หยุดขนองช้างก็เหมือนกันถ้าเลี้ยงอิ่มหมีผีมันมากเกินไปมันก็ตกมันเผอเผ่อฆ่าเจ้าของอีกเราจะทำยังไงต้องมัดแข่งมัดขามันไว้ ไม่ให้มันกินอาหารไม่ให้มันกินหญ้าจนมันสํานึกตัวได้ว่าข้าเป็นช้างมีเจ้าของนยังค่อยปล่อยมันนี่ก็เหมือนกันใจของเราดูมันคึกมันขนองอย่างไรแต่ละวันนี่แหละคือธรรมธรรมต้องดูใจสมาธิธรรมปัญญาธรรมอ่ะรับพรอนอนโมทนาให้พร